ปกติท่านอาจารย์รู้ถึงเรื่อง 6 ชนิดอันมีที่อยู่อาศัยต่างกันมีที่เที่ยวหากินต่างกันที่อยู่ จับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้านจับสุนัขจิ้งจอกจับลิงมาผูกด้วย 6 ชนิดมีๆกันก็ยื้อแย่งฉุดดึงกันเพื่อจะไปสู่ที่ วัวจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำนกบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปในป่าลิงก็จะไปป่าครั้นเหนื่อยกันทั้ง 6 สัตว์แล้วสัตว์ใดมีกําลังมากกว่านอกนั้นก็จะต้องถูกล่าติดตามไปตามอํานาจของสัตว์นั้นข้อนี้ ตามันจะฉุดไปนะหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่า เพราะฉะนั้นในเห็นนะนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจ ทำตรงเป๊ะนะเพียนเสริมสร้างโดยเลย เดี๋ยวต้องเปลี่ยนคํา